พราะนั้นวันนี้มีเหตุแล้วต่อ น, นี้ไปเราตาคตจะไม่แสดงพระปฏิโมกในถ้ำกลางสงให้มอบให้สง์เป็นผู้แสดงเป็นผู้พูดต่อไปเมื่อเรารู้ทั้งรู้ว่าพระสงฆ์ไม่บริรสุทธิ์ในศีลแล้วก็ยังให้โอวาดยังสวดปฏิโมกอยู่ไม่ถูกต้องอาตามแนวแถวของพุท ธ, ธะตั้งแต่บัดนั้นมา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 ประทานแล้วเป็นองค์บวชให้เราว่าเอหิภิกขุเอหิภิกขุอุปสัำประทานท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วนะเพียงแค่นี้พระองค์นั้นก็บริขารก็ลอยมาท่านก็บวชเป็นพระอผู้ทรงเหมือนกับทรงพรรษาอกิริยามารยาททุกอย่างเรียบร้อยแต่ท่านบําเพ็ญไม่นานก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล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 โมดคือน้ำเยี่ยวเนี่ยเป็นยาเนาะเอาได้เอานอมอานอมมาเออเอาเขาก็เลยเอาแก้วมาเลยใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งเออก็ปัดเอาน้ำปัดสวะเนาะลงใส่ในแก้วหน่อยเนาะก็คนคนคนคนจะได้เอาอาปากมันขึ้นมาพออาปากมันขึ้นเก็ก่อเข้าปากมันแล้วไงพอกาพอปากมันขยับขยับฟันงับงับับงับได้สามสี่กืนนั่นน่น